ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลศีประทุมในวันนี้แต่ปกติแล้วก็เป็นวาระของอาจารย์จำนงทองประเสรศิฐซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ของอาตมาเคยสอนวิชาตักกษศาสตร์อยู่สามสามปีด้วยกัน วันี้ตอนนี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรงทางเจ้าภาพขอขอให้อัตมาช่วยพูดในช่วงที่ท่านต้องพักผ่อนอยู่แล้วก็เสนอให้พูดเรื่องของมงคลสูตรเรื่องมงคลสูตรนั้นตามปกติแล้วก็มาในคุตกักปาฐะ เกิในกุตกันนิกายเล่มแรกเลยประสตรปิกเล่มที่ยี่สิบห้าเป็นตอนแรกแล้วก็มีข้อความที่พระตกถาจารย์ท่านอธิบายในมงคลสูตรแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราพูดถึงมงคลสูตรบางครั้งเราก็พูดว่ามงคลชีวิต สังคมไทยเรานั้นได้ศึกษาเรื่องมงคลมานานมากก็ตั้งแต่สมัยยุคลานาโดยพระสิริมังคลาจารย์เป็นคนรวบรวมเรียบเรียงเรียกกันโดยทั่วไปว่ามงคลทีปณีเรียกโดยสำนวนบาลีเรียกว่ามังคลัตชีปณี ก็คือเป็นการแสดงเรื่องมงคลเป็นผลงานที่พิมพ์แพร่หลายในสำนวนต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วก็นำไปเป็นหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในชั้นต่างๆอย่างต่อเนื่องอการนำอธิบายนั้นก็แล้วแต่จะใช้แนวไหนคือถ้าใช้แนวของมังคลัตตชีปณี ก็ถือว่าจะได้เนื้อหาที่วิจิตพิสดารเพราะว่าการรดบัวเรียบเรียงของพระสุริมังกาจาร์เนี่ยเป็นการนำเอาเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดมาร้อยกรองแล้วก็รับสมอ้างกับข้อความที่กล่าวไว้ในแต่ละช่วงซึ่งเป็นวิธีการเรียบเรียงในแน ว, นแนวคล้ายๆกับ วิสุทธิมแต่ว่าของพระสีมังคลาจารย์นั้นจะใช้เอกสารประกอบที่มากแต่หมายความมาตั้งแป่พระสูตรอัตถกถาดีกาอนุรีกาตลอดถึงพวกโยชนาทั้งหลายเนี่ยคำว่าประกอบในการไขความอธิบายแต่ละข้อของมงคลทั้ง3าสปประการ ความบันมาของมงคลทั้งสิบสามสิบแปดประการจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิสดารแต่ถ้าเรามองเราจะเห็นว่าความคิดในเรื่องมองคลเนี่ยมันเป็นความคิดที่ประรบกันของยุคสมัยคือยุคสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติ เรียกว่าคนจะสนใจในเรื่องธรรมะเรื่องปรัช ญ, ญาชีวิตกันมากเรื่องการค้นคว้าถึงชีวิตหลังตายตลอดถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็กลายเป็นลทัทธิความเชื่อซึ่งถือว่าแพร่หลายมากที่สุดเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ย ก่อนพุทธกาลหนึ่งร้อยปีหลังพุทธกาลหนึ่งร้อยปีตรงกลางหนึ่งรอปีนะฮะเรียกว่าสามร้อยปีช่วงตัวเนี้ยเป็นยุคทองทางาศาสนาปรัชญาระบบความคิดต่างๆและปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือออารยธรรมโลกสี่แห่งแต่เกบกรีก แล้วก็อินเดียแล้วก็อียิปต์แล้วก็จีนก็เรียกว่าเป็นยุคอรารยธรรมลุ่มน้ำลุ่มน้ำบ้างเชิงภูเขาบ้างจะปลูกพันธุ์กับแม่น้ำกับภูเขากรีกเราจะเห็นว่าจะเน้นที่ภูเขาโอลิมปัสอินเดียก็จะเน้นที่ภูเขาหิ ม, ม า, หายแล้วก็อียิปต์เน้นจะเน้นที่แม่น้ำไน ในขณะอินเดียก็เน้นที่แม่น้ำสินธุกับแม่น้ำพงคาประเทศจีนเน้นทางภูเขาทาแม่น้ำเช่นเดียวกันเป็นอารยธรรมแถบรูปแม่น้ำกับเชิงภูเขาเพนความคิดที่เกี่ยวกับมงคลจะไปผูกพันอยู่แถวนี้แถวรูปน้ำก็แถวภูเขาถ้าเราดูให้ชัดนี่ฮะดูที่ประเทศอินเดีย คือประเทศอินเดียพวกเทพเจ้าทั้งหลายที่ถือว่าสำคัญในแนวที่กว่าจะพัฒนามาเป็นตรีมูรติอย่างในปัจจุบันได้เนี่ยมันก็นานเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของประชาชนซึ่งอยู่ในท้องทิ่ที่แตกต่างกันแต่คนสมัยโบราณมันก็อยู่แถบเชิงภูเขากับริมแม่น้ำ แล้วก็ไปเจอปรากฏการณ์ริมแม่น้ำกับในแม่น้ำในมหาสมุทรในริมภูเขาในป่าต่างๆมันมีเยอะที่เป็นคุณแล้วก็มีเยอะที่เป็นโทษแล้วก็ศึกษาค้นคว้าไปเราก็ไม่เข้าใจนะฮะแม้แต่ในปัจจุบันเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติเราไม่เข้าใจมหาสมุทรเราไม่เข้าใจป่าดิบทั้งหลายหรือภูเขาทั้งหลาย ก็ออยังมีเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อีกเยอะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคุณเป็นโทษแก่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเหล่านั้นเพราะนอารยธรรมของอินเดียซึ่งถือว่าจะสืบเรื่องมาเป็นเรื่องมงคลเนี่ยนะมะแก็จะใช้ในแนวของสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาต แล้วก็มีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างเพราะนบรมองในมงคลในยุคต้นที่เขาคิดค้นกันแล้วก็ถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นประหาที่เกิดขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติประมาณสิบสองปีจะมีการประชุมถกเถียงกันว่าอะไรคือมงคล คือเป็นหนึ่งในปัญหาที่นำมาถกเถียงไม่ใช่เรื่องเดียวนะถ้าเราจะมองปัญหาในสมัยนั้นเาสามารถจะดูได้จากผู้สวดลดปัญหาหรือปัญหาที่คนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าในหลายๆเรื่องทางเสื่อ บ, บ้างทางเจริญบ้างทางสวัรด์บ้างทางนิพพานบ้างอะไรแต่เยอะมากๆนฮะคือเป็นยุคที่มีการค้นคว้ากันอย่างจริงจัง จะ ไ, ได้กรอบข้างคำ ว, ว่ามงคลเนี่ยให้ความเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่างๆความคิดในสมัยนั้นถ้าเรายัางมองมันก็มองจากโลกของประสาทสัมผัสหรือโลกทางประสบการณ์ประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสคือวินิจฉัยตัดสินตาก ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพก็ง่ายว่าตัดตัดสินจากตาหูจากมุลิ้นมุกจ ม, มูกแล้วก็ลิ้นกายจริงๆนะฮะคือยังไม่เข้าถึงใจตอนเวลาพิการประชุมกันในชมพูทวีปแล้วก็ตกเฉียงอภิปรายเพื่อหาข้อยุติว่าอะไรคือมองคลแล้วก็กลายเป็นกระแสความคิดอยู่สามกระแสในยุคนั้น กรแสหนึ was, ่งก็มีคนผู้หนึ่งเสนอว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละเป็นมงคลมันก็มีคนค้านเพราะว่าเป็นการพูดในลักษณะเหมาโหลคือรวมกันไปว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นนั่นแหละเป็นมงคลพอใช้คำว่าทั้งหลายเข้าไปนมีปัญหาทันทีก็แสดงว่าถ้าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลมันก็ต้องเป็นมงคลทั้งหมดคือดีก็ต้องเป็นมงคลไม่ดีก็ต้องเป็นมงคลกลางๆก็ต้องเป็นมงคล เพราะจะมีคนค้านค้านว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปบางอย่างอาจจะเป็นมงคลแต่บางอย่างก็ไม่ได้เป็นมงคลเขาก็เสนอความเห็นเขาตัวเองขึ้นมาคัาดค้านไอ้นี้คือคือดีอย่างหนึงนะ่งคือยังแนวการเมืองที่เขามีการต่อสู้กันเนี่ยเราลองสังเกตว่า เป็การโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่ได้หาทางออกให้ว่าถ้าตัวเองจะทำยังไงต้องทำต้องดีกว่านะทำยังไงคือดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ถือว่าเขาทำแล้วก็ดีที่สุดแต่ว่าเขายังหาทางที่ดีกว่านั้นไม่ได้ก็เรียวกว่าเอาที่เลวน้อยที่สุดเมื่อยังหาดีที่สุดไม่ได้ก็ขอให้เลวน้อยที่สุดไปก่อนแต่ในการเสนอมหากลางเนี่ย คนอื่นก็ต้องมองเห็นนะฮะว่าเออดีกว่าปรากฏว่าข้อเสนอของคนที่สองเนี่ยคนแรกเขาเรียกว่าทิฏฐะมงคลตัวคนผู้เสนอเขาเรี ย, รยกว่าทิฏฐมังคลิกะเป็นระบบความเชื่อนะฮะเป็นระบบความเชื่อของกลุ่มหนึ่งที่ที่ถือว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นมงคล แล้วถ้าเราถามว่าความเชื่อเหล่านี้ยังมีคนรับรองถึงในปัจจุบันไหมก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกอีกฝ่ายหนึ่งก็เสนอว่ามันไม่ใช่มงคลหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลคือใช้หูเป็นเกณฑ์ในการกำหนดมงคลคนหนึ่งใช้ตาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดมงคลแล้วตกลงก็มีคนค้าน ว่าถ้าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลมันก็ต้องเป็นมงคลทั้งหมดแต่เสียงที่เราได้ยินมีดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างเพราะบางอย่างก็อาจจะถือว่าเป็นมงคลได้แต่บางอย่างมันก็ไม่เป็นมงคลแต่ในขณะที่มีคนค้านี่ก็มีคนเห็นชอบนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งคือธรรมชาติของมนุษย์แเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราจะมองมนุษย์ด้วยความเห็นใจแลวก็เข้าใจ ให้ลองสังเกตว่าจะมีระบบความคิดที่เพี้ยนเพียนยังไงก็ตามเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับนับถือแล้วก็ปฏิบัติตามลัที่เหล่านั้นไม่ว่าจะไม่มีเหตุผลยังไงก็ตามอย่างระบบความเชื่อที่ปรากฏในพักได้เนี่ยจะเอกสารหลักฐานต่างๆที่ รวบรวมกันมาได้นี่บอกว่านมีความเชื่ออยู่ระดับหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นนักรบของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการทำงานในนามพระผู้เป็นเจ้าพอเขาตายปั๊บติ ม, มันตื่นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดรเป็นความสุขชั่วนิรันดรเพราะงั้นเขาก็เบื่อหน่ายการมีชีวิตในโลกนี้ ต้องการจะไปอยู่กระพุกเป็นเจ้าแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เขาทานั้นเป็นการทําในนามพระผู้เป็นเจ้าทาั้งๆ้ที่องคอ์กรทางาศาสนาของเขาเองสํานักจุฬาลัมเจรีออกมาอธิบาย ช, ชี้แจงอะไรต่างๆเขาก็ไปฟังไงฮะเพราะเขาปักใจลงไปเลยและปักใจค่อนข้างมากนะฮะหรือถ้าเราดูวิธีการต่างๆที่เขาทําที่กฤษเซโดยเฉพาะที่กฤษเซเนี่ยก็ชัดเจนว่าค่อนข้างจะเป็นไสยสาศาสตร์ มีความรู้สึกของตัวเองจะคงกับพันชาตรีแล้วก็กำบังกายได้แล้วก็ไม่สามารถจะฆ่าให้ตายได้และสมมติจะตายก็จะไปอยู่รวมกับผู้เป็นเจ้าของเขาใครจะทิบาชี้ใจยังไงก็บ้าไปเถอะแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมคล้อยตามนั่นเป็นเรื่องธรมรมดาดูแม้แต่อย่างลทัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมัน ไปล่มสลายไปในส่วนต่างๆของโลกเป็นนั้นมากก็ยังมีบางประเทศทีอย่างปฏิวัติตามที่เรานี้อยู่แรงเชื่อถือในลักษณะอย่างนี้อยู่คืนนี้คือธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่ในโลกเราต้องเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจชีวิตภูษานาเป็นการสะท้อนความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเราจึางเรียกว่าบอก ชี้แจงหรือแสดงอาขาตาโร ต, ถ า, า ต, าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกบอกความจริงมาเป็นยังไงก็อธิบายอย่างนั้นเพราะฉะคนกลุ่มนี้เองก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเช่นเดียวกับคนกลุ่มแรกแต่ก็ถูกค้านนะ่ะถูกค้านจะคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยไม่ได้เป็นมงคลทั้งหมดหรอก มันเป็นมงคลก็มีไม่เป็นมงคลก็มีจริงที่เราทราบเป็นสิเป็นมงคลพล้นพวกประเภทที่สองเาเรียกว่าสุตะมงคลหรือสุตะมังคลิกะคือถือว่าสิ่งที่ตนได้ยินเป็นมงคลวันนี้เลยก็เปลี่ยนบอกว่าสิ่งที่เราทราบนี่เป็นมงคลนี้ทราบเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็ทราบรสได้วยลิน้นทราบ กลิ่นด้วยจมูกทราบเย็นรอ้นอนออแข็งด้วยกายก็หมายความว่าสิ่งที่เราสัมผัสด้วยลิ้นสิ่งที่เราสัมผัสด้วยจมูกสิ่งที่เราสัมผัสด้วยกายเป็นมงคลวันี้เปิดทีเดียวสมามฝลายเลยพอสามขลายมันก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าบางอย่างก็เป็นบางอย่างก็ไม่เป็นมันก็มีคนคัดค้านแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อถือ ก็แสดงเห็นว่าลัชี้ความเชื่อเหล่านี้ทุกวันก็ยังมีอยู่ในส่วนต่างๆของโลกโดยใช้สิ่งนี้ตนเห็นบ้างได้ยินบ้างได้ทราบบ้างว่าเป็นมงคลแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ายังไม่เข้าถึงใจนะฮะโดยใช้ประสาทเพียงห้าโตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้ใช้ถึงใจคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ตนรู้ว่าเป็นมงคลผู้เฉพาะที่ตาเห็นหูได้ยิน จมูกได้กลิ่นลิ้นดิ้มรสกายถูกต้องเย็ด น, อน้อยนอนแข็งตอนนั้นบ่เป็นมงคลตะลงคนก็เกาะกลุ่มพอเจอกันมันก็เถียงกันนะ่ทีนี้การเถียงกันเมื่อเถียงแบบยึดติดแบบอุปาทานอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐุปาทานแล้วก็เป็นสีลับพตุปาทานเถียงทุตีมันก็มีความขัดแย้งกัน พระลักษณะขัดแย้งเหล่านี้ถ้าเรามองสังคมยุคสังคมอารยนันยุคพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงแสดงกลามสูตรเนี่ยที่จริงมีพระสูตรที่ติดกันอยู่นะฮะก็เรียกว่าอาสารหัสสูตรก็ความเหมือนกันแต่ว่าทรงแสดงแก่คนที่แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่า ชนชาวกาลามะได้ยินได้ฟังพวกนักเถียงทั้งหลายเนี่ยพวกที่ิฏฐิมันแตกต่างกันแล้วก็มีความปักใจฝังใจเชื่อมัน่นในละทิความเห็นของตัวเองว่าอิด้ามิวัสจังโมฆะมันยังอย่า ง, างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอืงอ่นไม่ถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นเมื่อมาพูดพกคนที่ไม่เห็นด้วยเขาติงคนนี้ก็โจมตี จำดิลัทธิความเชื่อต่างๆที่คนก่อนเขาพูดออกไปแล้วก็ไม่ตรงกับตัวเองต่ชาวการลัฐมนีรีเขารับฟังหมดพอรับฟังหมดเขาก็สับสนเพราะอะไรเพราะแต่ละคนใช้ระบบความเชื่ออย่างเดียวเชื่อตามที่ตนเห็นเชื่อตามที่ตนได้ยินเชื่อตามที่ตนทราบแล้วกำหนดเอา จากสิ่งสิ่งนี้ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบเนี่ยว่าเป็นมงคลเพราะันเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยคนนี้ก็สับสนนะคนนี้สับสนที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องแสดงมีวิธีการแสดงแบบจินตามยปัญญาโดยใช้ข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เขาเคยศึกษาเรียนรู้มานั่นแหละ ตั้งขึ้นมาเป็นคำถามยกโรคโกดหลงกับไม่โรคไม่กดไม่หลงมาให้เขาหาคำตอบคือเขาฟังโดยไม่ได้คิดคล้ายๆกับฟังจริงแต่ว่ามันก็จําอยู่ภายในใจอะยังมีความจําอยู่ภายในใจไม่รู้จะจับประเด็นใดเพราะว่ามีคนค้านตลอดเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกอย่างนี้ก็ไม่ถูกอย่างนี้ก็ไม่ถูก ก่อนคนหนึ่งว่าถูกออรับไปพอ ร, รุ่งเช้าคนอื่นพูดเอาไม่ถูกอีกแล้นี่คือลักษณะสับสุนเราก็เห็นได้ว่าถ้าให้เกิดพระสูตรในลักษณะของกาลามสูตรหรืออาสารหัสสูตรขึ้นหรือเกสปุตตสูตรนะก็ได้อาจจะได้ยินชื่อแตกต่างกันกาลามสูตรเรียกสองชื่อเรียกว่าเกสปุตตสูตรบ้างเรียกว่ากาลามสูตรบ้างแต่ว่าสารหสสูตรเขาก็เรียกชื่อเดียว เป็นมาธรรมเทศนาที่ส่งแสดงแก่หลานชายของนางวิสาขาชื่อนายอสาลหะนายสาลหะความเหมือนกันเพราะงั้นเมื่อพระเจ้าเสนอให้คิดให้โลภโกรธหลงมองว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเบียดเบียนตัวเองกันเดือดร้อนไหมเบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อนไหมจะมีโทษไหมหรือแต่เนี่ยมันก็ตอบได้คนนี้ก็ตอบได้ ไม่ใช่เป็นการประเสริแหล่งความเชื่ อ, อเพียงแต่รับสั่งว่าไม่ควรถือเอาด้วยเหตุสักว่าเพียงข่าวเล่าลือกันมาหรือว่าคนพูดหน่าจะเชื่อถือได้อะไรต่ออรตางๆนี่ที่จริงแหล่งความเชื่อมันก็มาจากตรง น, นั้นนี่มันข้อมูลมนุษย์มันก็เรียนรู้มาจา ก, จา ก, นนยจากอย่างนั้นนหะจากสิบอย่างเนี่ยแต่สรุปแล้วก็คือว่าหงเป็นประจักษ เขาเรียกว่าประจักษ์ประมาณระบบปริญาเนี่ยเขาเรียกประจักษ์ประมาณหมายความมาผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรามาเรามีนิจฉัยจากประสาทสัมผัสแต่ถ้าถามลึกๆว่าจริงหรือเปล่าจริงหมดไหมนันก็ไม่จริงหมดเพราะประสิทธิภาพของประสาทสัมผัสของเราอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อมูลของเราที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสัมผัสอย่างเนี่ยเราจะไม่รู้ เพราะเราเห็นบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้บางทีเราก็สงสัยบางทีเราก็ชอบเราก็อาจจะว่าเป็นมงคลเราไม่ชอบก็ว่าไม่เป็นมงคลเลยก็อานิยายไม่ค่อยได้เอานิยายไม่ก็ ไ, ได้การใช้เพียงระบบประสาทสัมผัสไม่ใช่ข้อยุติแต่ว่าเป็นที่มาของข้อมูลพอถ้าเราไม่มีประสบการณ์ทางประาสัมผัสเลยเนี่ย จิตมันทำงานไม่ได้เพราะจิตทำงานจากหน่วยความจำที่ตนผ่านมาจากประสาทสัมผัสหมายความมาจากการรับอารมณ์จากการจำอารมณ์จากการคิดอารมณ์และจากการค่อยๆรู้ขึ้นไปโดยลาดับค่อยๆรู้อารมณ์เหล่านั้นขึ้นไปโดยลำดับอีกประการหนึ่งก็คือจากการอนุมานเอา ซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้ฉะนันเราดูการแสดงเนี่ยการแสดงบางทีคือการแสดงคนแสดงตลกสนุกสนานอยู่เนี่ยเขาอาจจะกำลัง ม, มีปัญหาอย่างแรงก็ได้เราโนุมานจากความสนุกสนานของเขาจากความายิ้มแย้งแจ่มใสจากการหัวเราะสนุกสนานของเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกบางทีอาจจะไม่ถูก แต่ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะในการวินิจฉัยสิ่งทั้งหๆอย่างนี้เขาเรียกอนุมานประมาณอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสับท่าประมาณก็คือจากหลักฐานเอกสารตำรับตำนาข้อมูลในด้านต่างๆก็แล้วแต่ยิ่งในปัจจุบันค่อนข้างจะท้าทายสติปัญญาเลยทำไ ป, ปเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันมันเล่นอะไรได้เยอะ อย่างระบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้ระบบตัดต่อแปลงตัดหัวคนมาสวมหัวคนได้อะไรทอะไรเน่ยโอมันยิ่งยากมากยิ่งขึ้นต่อการวิในใิจัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพียงข้อมูลที่นําไปสู่การการกรองการคิดอย่างมีระบบมีเหตุมีผลในการคิดแล้วการตัดสินใจของบุคคลทั้งหลาย ก็ต้งลงว่าการตกเถียงเราเนียมันก็แพร่หลายกันอยู่ตลอดระยะเวลาสิบสองปีนะฮะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่นี่ก็อยากจะมองย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปว่าในสมัยโบราณสังคมอารยันเนี่ยเขาเชื่อสิ่งที่เป็นมงคลจากการได้เห็นก็มีนะฮะจากการฟังก็มีจากการได้สัมผัส ด, ด้วยประสาทอื่นก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำรามาปริสารลักษณะสามสิบสองประการที่เขาทำนายเอาไว้เนี่ยฮะก็แสดงว่ามันไม่มีการพูดถึงมงคลร้อยแปดปรากฏที่พระบาทของพระโพธิสัตว์ท่านก็พูดถึงมงคลเน่ยเราเห็นว่ามงคลเหล่านั้นมันก็เป็นภาพที่เราเห็นด้วยตาก็แสดงว่าตัดสินด้วยสิ่งที่ตนเห็น แต่ว่ากำหนดประเภทกลุ่มของเป้าหมายของสิ่งที่ทตนเห็นเอาไว้มันไม่ใช่ว่าไปพูดคลุมๆว่าสิ่งที่เราได้เห็นเป็นมงคลแต่พวกนี้ก็เจาะจงเจาะจงภาพเหล่านั้นก็ตามลักษณะของก็เรียกว่าอัตุตราสตะมงคลคือมงคลร้อยแป แล้วปรากฏเกิดขึ้นในกรงจักรที่พระบาทะที่พระบาทพระบาทของพระพุทธเจ้าที่พื้นพระบาทท่านบอกว่าพระกุมารมีพื้นฝ่าพระบาททั้งสองประกอบด้วยลายลักษณะกงจักรข้างละอันในถ้ำกลางฝ่าพระบาทและจากนั้นมีกรรมพันประกอบด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ไายนอกครอบกงจากนั้นประดับไว้ด้วยรอยรูปอัฏฐุตระสตะมงคลมงคลร้อยแปดประการนะครับแล้วก็นึกไม่ ก, ก่อเหมือนกันนะว่ารอยพระบาทพระพุทธเจ้าคงไม่ใหญ่โตอะไรจะมีรูปมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าท่านบอกว่าอย่างนั้นนะบอกว่าอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็มาดูแลกันว่าเออนี่คือความเชื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงเรื่องมงคล พระเจ้าไม่ได้ประรบเรื่องเหล่านี้เลยนะเกิดแสดงว่าศาสนาไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลมันเป็นความเชื่อก่อนก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติแล้วก็คนกลุ่มทั้งสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยก็ยอมรับยอมรับเพาสิ่งที่ตัวเห็นเป็นมงคลเพราะฉะนั้นตัดสินด้วยภาษาสัมผัสเหล่านี้ก็มีรูปไปจากรูปเหล่านี้ย มันแสดงถึงพัฒนาการนะพัฒนาการทางด้านสังคมว่ามันมีความเจริญก้าวหน้าในพวกศิลปะปฏิมากรรมวิจิตศิลปนิสศินตลอดถึงพวกสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติเราแสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้ามากเพราะว่ามนุษย์รู้จักเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราถามถามคนในปัจจุบันว่ารู้จักหมดไหมเนี่ย มัอก็หาคนรู้จักหมดยากกันทันบอกว่ารูปแวนสองพระพักรูปดอกพุดซ้อนรูปสายสร้อยรูปสังวานรูปถัดทองรูปตังรูปมัดฉาทั้งคู่รูปปราศาสตรรูปขอรูปเสาะได้อันนี้ไม่รู้อะไรละรูปเสวตาจัดรูปพระขันรูปพัดใบตานรูปพัดหางนกยูงรูปพัดวาลวิชนีรูปมงกุฎ รูปบาดรูปพวงดอกมะลิรูปรูปดอกนี่รูปบนเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยชักจะงงอะ่ะก็แสดงว่าในอินเดียสมัยนั้นในอารยันสมัยนั้นก็ไม่ใช่อินเดียหรอกที่จึงก็เป็นอารยันข้อความตัวนี้ทีจริงก็อยู่ในลักษณะสูตรในทีคณนิกายนะฮะอยู่ในลักษณะสูตรทีคอนิกาย แล้วก็ดอกกุบบนขาวหนึ่งรูปดอกอุบบนแดงหนึ่งรูปดอกบัวแดงหนึ่งรูปดอกบัวขาวหนึ่งรูปหม้อเต็มด้วยน้ำหนึ่งรูปถาดเต็มด้วยน้ำหนึ่งรูปมหาสมุทรทั้งสี่หนึ่งรูปเขาจักรวาลหนึ่งรูปปายมะพราวหนึ่งรูปเขาพระศิเนรุหนึ่งรูปพระจันทร์หนึ่งรูปพระอาทิตย์หนึ่งรูปหมู่ดาวนัขัตฤกษ์หนึ่งรูปทวีปใหญ่ทั้งสี่รูปทวีปน้อยทั้งพันรูปบรรมมาจากภัท กับทั้งราชบริบาลรูปสังทกิณาวัตรูปสุวรรณมัฉาหนึ่งรูปจากทั้งคู่หนึ่งรูปคงคาทั้งเจ็ดหนึ่งรูปสะใหญ่ทั้งเจ็ดหนึ่งรูปขาบริพันธ์ทั้งเจ็หนึ่งรูปพยาครุฑหนึ่งรูปจระเขหนึ่งรูปธงชายธงผ้าทั้งทั้งผืนหนึ่งรูปรัตนบันลังหนึ่งรูปกอีหนึ่งรูปขไกรลาดหนึ่งรูปพยาราชสีหนึ่งรูปพยัคฆราชหนึ่งรูปช้างเอราวันหนึ่ง รูปพระยามาวะลาหกหนึ่งรูปพระยาพาสุกรีนาคราชหนึ่งรูปพระยาหงหนึ่งรูปไก่เชือนหนึ่งรูปสุภราชหนึ่งรูปพระยาช้างโบสถดหนึ่งรูปพระยาช้างจัดทันหนึ่งรูปมังกรทองหนึ่งรูปหมาพรมสีหน้าหนึ่งรูปเรือนทองหนึ่งรูปเต่าทองหนึ่งรูปแม่โคกับทั้งบุตรหนึ่งรูปกินนอนผู้หน huh? <point emergen>? <otion> ึ่งรูปนางกินนอนหนึ่ง รูปนกกาลาเวกหนึ่งรูปนกกรเรียนหนึ่งรูปนกยูงหนึ่งรูปนกจากพภาคหนึ่งรูปนกพริกหนึ่งรูปชักกามาผจรเทวโลกทั้ง4ชั้นหนึ่งรูปโสรสมหาพรหมทั้งสิบกชั้นหนึ่งรวมเป็นรูปรอยมงคล38ประการเป็นบริวารล้อมองจากใจในถ้ำกลางฝาประบาด ท, ทั้งสอง ซ้ายขวาดุดเดียวกันซึ่งจัดเป็นมหมาปุริสลักษณะครบคำรบสองเขาเรียกว่าหาปุริยสักสามสิบสองประการกับอนุพยัญชนะแปดสิบแล้วก็อุทระมงคลอีกร้อยแปดเนี่ก็แสดงว่าเป็นความเชื่อแต่ว่าคือถ้าเรามองว่าจริงตงัวนี้มันแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าเยอะ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายค่อนข้างจะดึกดาบันณนะเป็นสัตว์ที่มาพานก็มีแล้วก็เป็นสัตว์บางชนิดคนไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักก็ไม่รู้จักเยอะนะฮะหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมนาะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อในด้านมงคลต่างๆตลอดถึงที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยเช่นพวก สิ่งที่เป็นมงคลในบ้านในเมืองเราก็ได้ทำเนียมความคิดแบบพรามมาเยอะเช่นพวกอะไรบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สถานที่ต่างๆศักดิ์สิทธิ์เน่ยเป็นธิดมงคลจะทําพิธีกรรมต่างๆเอาดอกเอาน้ํามนต์จากที่นั้นน้ําจากสถานั้นสถานี้สถานโน้นอะไรต่อเนี่ยก็แสดงเห็นร่องรอยของความเชื่อที่เกี่ยวกับมงคลซึ่งหมายความว่าเราก็รับอิทธิพลของพราม์ มันก็เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ว่าดินแดนแถบนี้ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะมาเผยแพร่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนที่พระเจ้าอาโศกจะส่งพระธรรมทูตมาประมาณยี่สิบห้าปีเนี่ยหรือตอนที่พระเจ้าอาโศกไปตีแคว้นกะลิงกราดนะประชาชนชาวกลิงกราชเนี่ยบาเจ็บล้มตายเยอะ แล้วก็หนีลงทะเลอยู่กลุ่มหนึ่งโดยการนำของโกนธัญญาพรามพวกนี้ก็มาขึ้นแถวเนี้ยแถวสวนภูมิเนี่ยจะขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่เราก็เห็นร่องรอยให้เห็นว่าไอ้เกียร์กับ พ, พรามเนี่ยเกียร์กับเรื่องพรา ม, รามเนี่ยมันจะลงมาจากข้างบนคือจะลงมาจากราชสำนัก ก็แสดงเห็นว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเข้าเข้ามาจากข้างบนเผยแผ่ศาสนาจากข้างบนมันอยู่ในราชประเพณีต่างๆผู้ราชนีติแม้ผู้แต่ผูะะ้จักรวตรดิวัตนะฮะจักรวตรดิวัตก็ดีทศพิธราชธรรมก็ดีราชสังฆะก็ดีที่จริงก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของอารยันโบราณ เ, เรื่องที่พระเจ้าเล่า เราถึงกษัตริย์ในอดีตไปเจ้าจักรพรรดิในอดีตว่าประกอบด้วยคุณสมบัติหลงานอย่า ง, งานันอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นเช่นพระเจ้าวิชิตรราชเป็นต้นก็หลายองค์นะฮะไปะยกมาเนี่ยแต่ตัวคุณธรรมในเหมือนกันแล้วตลอดถึงเอกสารต่างๆเช่นสมมติว่าโลกอนิจอย่างเงี้ยโลกอนิตหรือตำรับตําราของเราที่เกี่ยวกับแต่เช่นแม้แต่เรื่องพระมาลาย เราอะไรถ้าเราดูแนวการอธิบายเรื่องสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสวรรค์แบบพราหม์ไม่ใช่สวรรค์แบบพุทธเพราะถ้าความคิดแบบพราหม์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเทวบุตรเทธิดาเนี่ยมันมันใกล้ๆคนอะ่ะมันแปลกกว่าคนไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะแต่ของเราเป็นพิเศษนะถ้าเทว บ, บุตรเทธิดาจะเป็นพิเศษมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นวัตถุเรืองแสง ว่าท่านจะปรากฏในที่ใดก็ตามท่านก็เปล่งเป็นรัศมีให้ ป, ปรากฏในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็พอเสร็จภารกิจก็อันตรธานไปเลยอันตรธานเป็นอากาศสะท้านไปเลยถึงก็ถือว่าการรับรู้ในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านรู้โดยพยาญิแต่ว่าของพรามเนี่ยถ้าเราดูจริงๆมันเป็นพัฒนา พัฒนาการทางความคิดเนี่ยจากศาสนาประเภทเนี่ยประเภทปฐมภูมิเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแต่เราเห็นว่าเทพเจ้าจะไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติข้างล่างเช่นสมมุติว่ไฟอย่างเงี้ยไฟมันก็มีอาคีคือไฟไฟหุงต้มทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มีวิชุคือไฟสายฟ้าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรต่าง แล้วก็มีสุริยเทพก็คือพระอาทิตย์อยู่ข้างบนแล้วก็ต่อกันอยู่อย่างเงี้ยในพระคงคาเราก็มีคงคาในโลกมนุษย์แล้วมีคงคาสวรรค์มีคงคาสวรร ค, ครร์ก็ไหลผ่านเสียนประสิวะลงมาสู่โลกมนุษย์อะไรแต่ไรเนี่ยบางทีก็ลอดหายไปแต่ดินก็มีการอธิบายในแนวเต็นเท พ, พเจ้าโดยเอาธรรมชาติเนี่ยมาขึ้นมาเป็นเท พ, พเจ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกัน นะเช่นวารลมนะมันก็มีพระวายุนะอยู่ข้างบนนะฮะลมพัดเนี่ยลมพัดหมดนี่พระวายุแล้วก็ก็มีพระพายอยู่ข้างบนพระพายอยู่บนสูงสวรรค์ความเชื่อในแนวนี้ของจีนนี่ก็เยอะโดยเห็ น, นว่าแนวจีนกับอินเดียเนี่ยแสดงก็ถ่ายเทวัาตาถธรรมกันของเราก็รับมาทั้งสองแห่งนะรับทั้งทา ง, ทงจีนทางอินเดียก็ปนๆ น, นกันไป มันก็แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของความเชื่อว่าของพรามที่มาเนี่ยส่วนมากมันมาจากความเชื่อแล้วก็พอปักใจแล้วก็ปฏิเสธไปเสดไม่ได้อะไปเสธคล้ายๆก็ไม่เคารพกลายเป็นความความคิดที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะแนวสิ่งต่างๆอัตุตรสะสตะมงคลที่ว่ามงคลร้อยแปดประการเนี่ย คือก็นึกไม่ออกอ่ะนะนึกไม่ออกว่าทําไมจึงต้องเป็นมงคลเพราะสัตว์บางอย่างน่ากลัวน่าเป็นอันตรายนะเช่นพยกระดาชอย่างเนี้ยน่ากลัวหรือช้างอย่างนี้น่ากลัวหรือมังกรนี่ก็แปลกมังกรทําไมไปอยู่ในวัฒนธรรมของอารยานั่นท่านที่ว่ามังกรเป็นอยู่ในวัฒนธรรมของอินเดียตะแก่ของจีนแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็มีหน้ากระดาชอยู่ มีทั้งหน้ากระดาทั้งมังกร อ, อ่าพวกนี้ถ้าศึกษาแล้วก็ทำต้องว่ากันเยอะนะฮะทั้งๆร้อยแปดร้อยแปดประการเนี่ยหังปฏิติดตามร่อง ร, อ, งรอยของความคิดว่าทำไมจึงอยู่ตรงนั้นือยังยังนึกถึงนานมาแล้วน ะ, ะเขาปอะเด็กเล็กๆไปให้สอนก็สามสี่คน ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขานะ่ะเลยก็เอาหนังสือพุทธวัติต่อยิ่งเบืกรเนี่ยมานั่งให้ดูเปิดให้ดูแล้วนั่งคุยนั่งคุยไปเรื่อยๆนะ่ยคุยอธิบายไปเรื่อยๆพอนี้เด็กคนหนึ่งก็ฉลาดตอนพระพุทธเจ้าพระชนพยาหมาอยู่ที่ต้นโพเนี่ยวันมีสัตว์สารพัดสัตว์น้ําตอนนางธรณีเบียดปีบมวยผมเนี่ยมีสัตว์น้ำนานาชนิด แล้วมีปลาฉลามโผู่ขึ้นมาเธาถามเลยนะว่าเอ็นี่น้ำจืดเนี่ยทำไมมีปลาฉลามนะเพราะว่าสัตว์อื่นเป็นสัตว์น้ำจืดและแม่น้ำในรัญจระก็เป็นน้ำจืดนะแต่ว่าเห็นไม่จกรคงลืมไปก็เขียนปลาฉลามใส่เข้าไปตัวหนึ่งเด็กก็เกิดสงสัยเพราะในมงคลเหล่านี้เราลองสังเกตว่า มงคนบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในประเทศอินเดียก็คงจะเป็นตำนานที่เล่าขานแล้วก็มีการสรุปกดใส่ไว้โดยพื้นฐานของความเชื่อแล้วก็ถือกันมาอย่างนั้นซึ่งซึ่งในลักษณะเราเนี้ยทำให้เราเชื่อในรอยพระบาทนะของพระพุทธเจ้าเช่นรอยพระบาทที่สระบุรีเนี่ยโดยมากจะเชื่อมากเป็นพิเศษ รอยพระบาทตากผ้าร้อยบาทในที่ต่างๆเนี่ยจริงๆรอยพระบาทที่สระบุรีะเทียบอายุแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าที่วัดประวรันนะทิวัตประวรันเป็นเรื่องแน่นอนว่าจําลองแต่ว่าทําสมัยประมาทธรรมชาตลีไทยเว น, นี้ก็ประดิษฐานเงียบๆอยู่ริมแพงคนไม่เคยรู้กันนะะ เพราะว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการนําเชี่ยวที่วัดโบว์บอลโบวบอลในของกเก่ามีเยอะแต่หนี้ก็ก็เปิดในเทศกาลบางช่วงบางเวลาในคิดว่าปฏิสังขอนรอบบริเวณพุทธาวารเรียบร้อยแล้วก็คงเปิดให้ประชาชนเขามาไหว้พระมาสักการะเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะเป็นสมบัติของระศาสนา วัดจะมาทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของไปหวงเอาไว้เนี่ยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพราพระเองก็เป็นผู้อาศัยวัดวัดเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาแต่ถือว่าเป็นเจ้าของพุทธบริษัททุกคนก็เป็นเจ้าของพระก็มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเนีมันเกิดประโยชน์ในการศึกษาในการปฏิบัติในการเผยแพร่ในการนัรัก ศิละปะกรรมเหล่านั้นเอาไว้ลตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาเพราะในการตกเฉียงในเรื่องมงคลมันก็กระจายขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าสัสรูนะพระพุทธเจ้าสัสรูพวกเทวดาทั้งหลายก็อย่างที่ถามอยู่เนี่ยสิบสองปียังหาคำตอบไม่ได้ไปยังเฉียงเันอยู่ก็ในสุดก็ถามไปถามมาก็ ก็ต่อยอดไปเรื่อยเทวดาก็มีวิธีไปเศษเก่งนะคือยกยอดไปให้คนอื่นโยนลูกให้คนอื่นไปเรื่อยเลยตัวเองตอบไม่ได้แล้วก็ไม่บอกว่าตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่โยนลูกให้คนอื่นจนไปถึงสำนักของทัศกะเทวดาพระเทวดาก็ไปเฝ้ากันแล้วก็กลับทูลถามกลับทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง แล้วก็ขอให้ท้าสกะตถวราชต์วินิจฉัยว่าอะไรคือมงคลท้าวสกัท่น า, กาทนก็เก่งนะท่านท่านบอกว่าเอตอนนี้พระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนก็บอกว่าอยู่ที่ไปเชติตะวันก็แสดงว่าตอนนั้นมันต้องผ่านไปหกเจ็ดปีแล้วนะท่านพระเจ้าไปอยู่ที่ไปเชติต ว, วันเนี่ยไปเชิดตะวันสร้างขึ้น ตอนที่อนาถบินทิการเศรษฐีกลับจากกรุงรัชครืดแล้วก็ไปกว่าจะหาชี้กว่าจะสร้างได้เนี่ยมันต้องกินเวลาไปทุกครก็สรุปว่าเวลาเรานั้นก็ล้ําเข้ามาในช่วงที่พระเจ้าจะรูด้วยทศกะก็รับสั่งว่าเมื่อพระเจ้าประทับอยู่เนี่ยทำไมไม่กราบทูลถามพระพุทธเจ้ามาทําเราทําไมก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้ากัน ก็มอบหมายเทพะเทะบุตรต้นหนึ่ง่ะเป็นหัวหน้านำเทพะบุตรทั้งหลายเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพลักษณะการแสดงเนี่ยเป็นการแสดงแก่ผู้ชายเพราะว่าเป็นเทพะบุตรที่มาเฝ้าเนี่ยไม่มีเทพธทิดามาเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าผลข้อความตอนต้นพระสูตรเองก็จะมีข้อความที่ไม่ไม่เหมือนกับพระสูตรอื่นคือไปให้รายละเอียดให้รายละเอียด ในการเข้าเฝ้าของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทำยังไงบ้างอธิบายรายละเอียดต่างๆเอาไว้ซึ่งประสูตรอื่นส่วนมากจะไม่ให้รายละเอียดอย่างนั้นนี่ก็เป็นการนำความเพื่อนำท่านผู้ฟังไปศึกษาในรายละเอียดพอสมควรนะฮะในรายละเอียดพอสมควรเพราะว่าเราจะอาศัย มังกรตัทีปนีเป็นเมนแต่ว่าไม่ใช่เอารายละเอียดทั้งหมดมานะเพราะว่าเรื่องมันยาวมากมงคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเป็นหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์จากพื้นฐานปัจจุบันไปจนถึงมรรคนิพพานทีเดียก็เรียกว่าแสดงทั้งประโยชน์ทั้งสามระดับไวในพระสูตรเพียงพระสูตรเดียวนะ ก็ไปสะท้อนให้เห็นถึงพระปัญญาคุณที่ยอดเยี่ยมของพระพาาุทธเจ้าแล้วเวลาแส ด, แดงเนี่ยเรียงไปตามลำดับนะเป็นทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์เป็นสัมมาราชิกถะประโยชน์เป็นปรมาถะประโยชน์เรียงนไปโดยลำดับเป็นบันไดาสามขั้นต้องฟังเท่าไหร่และการเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้